ถ้าจิตเข้าถึงปีติเมื่อตายจากความเมินคนจะเป็นเทวดาชั้นไหนก็ได้แต่ทุกชั้นนะนคำว่าปีติแปลวความอิจ่จใจจะสังเกตได้จากการบ้างจากความรู้สึกของใจบ้างถ้าจะสังเกตกรรมการก็หมกยควว่าอาการของปีติจะมีห้าอย่างข้อที่หนึ่งขนพองสยองกล่าว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 แต่ความจริงถ้าเข้าถึงปีติดจุดนี้ก็ห้ามไม่ได้เหมือนกันเป็นเครื่องสกเสกอาการที่สี่มีการเต้นคล้ายตุกพระปุกของไม่ไม่จะแน่ต่อมีการลอยลมอากาศมีอาการของปีติดเหมือนกันอาการที่ห้ามีมีการสู้ซาในใจตอนแรกจะมีความรู้สึกว่าร่างกายจะสูงขึ้นหน้าจะมีความใหญ่รู้สึกว่าใหญ่มาก ก็ยังมีความรู้สึกคล้ายๆลมไหลเจ้ร่างกายลมแรงไหลออกต่อไปจะจะมีไม่มีความรู้สึกว่ามีร่างกายมีอาการปวดหมดจะมีความรู้สึกรู้สึกเเฉพาะหน้า <c oughs> เฉพาะตั้งตะคอไปมีความรู้สึกงมีอยู่แต่ใหญ่มากทั้งอาการทั้งหมดนี้ในเมื่อจิตเข้าถึงจิตสงบดีมีความชุ่มชึ่นของจิตเชียนี้จะเรียกว่าปีติ ถาจิตเข้าในสู่ในห้วงของปติทีเรียกอุปจาระสมาธิ <c oughs> ในรายการีิผ่านนะแต่ ว, ว่าสำหรับอาการของปีติก็ไม่แน่นักบางคนก็ไม่ผ่านบางรายถ้าปรารถนาพุทธภูมิจะผ่านทุกอย่างแต่ ว, ว่าปรารถนาสภาวะภูมิไม่แน่นอนนักบางคนก็ผ่านอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ช้านักบางรายจะไม่มีความรู้สึกในอาการห้าอย่างนี้เลย แต่ก็ต้องสังเกตสเกตัเกตว่าการยยากริยำสมาธิขบันดาแทนพุทธบริษัทนั้นจะมีความชุ่มชื่นจะมีความอึดอิ่มไม่อยากเลิกทำกรรมฐานเพลินแต่ตอนตอนนี้ก็ต้องระมัดระวังถ้าเพลินเกินไปหลับนอนน้อยพักผ่อนน้อยอาจจะเป็นโรคสมองขาดใจจะให้การใจเป็นกรรมฐานขบันดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องระวัง วงความวางท่าบรรดาท่านพุทธบริษัทอยากจะทราบว่าอุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกอาการอย่างไรก็ขอตอบว่าหนึ่งขนขนฟองสยงกล้าวสองน้ำตาไหลสร่างกายยกโครง4ตัวลอยมือากาศ 5. มีการทราบท้านทางทางกายอาการ5้าอย่างอย่างนี้ไม่มีกับใครคนใดคนหนึ่งก็าตามมีมหมกัน คี่เขาไม่สับปะรดก็ต้องรูกํากำลังใจทุ่มชื่นไหมเวลาเจริญสมาธิจิตใจสบายไม่อยากเลยตัวนี้เป็นขั้นเข้าขั้นปีติในการเจราสมาธิส <c oughs> รวปความว่าท่านผู้ใดถ้าเจริญกรรมาฐานเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นตัวนำท่านผู้นั้นตายจากความเป็นคน จะเลือกเกิดเป็สวรรค์ที่การมาจารองการมาวรจอได้ตามชอบใจดีไหมดีนะยังมีบุญได้น้อยก็ททำบุญให้ทานฉันยังสบายพระคา น, น้อยๆเนี่ยตายจากกาปมีคนเทวดาก็มีนางฟ้าบริ 1, าวารหนึ่งพันคนระวังนะคนเดียวแล้วแ่นะ้ว <c oughs> แล้วก็สำหรับญาตาโยมเมื่อคืนอาจจะไม่มาก็มีนะ <c oughs> ถ้าถามว่าจะทำยังไงจะถึงปีติได้ปีติี่จะถึงช้าหรือถึงเร็วอันนี้ก็ถ้าถึงช้าถึงเร็วนม่ตอบไม่ได้โยมมันขึ้นกับกำลังใจของบุคคลคนนั้นแต่จริงๆปีติจะขึ้นได้ก็จากการตั้งใจจริงในการเรียนพระกรรมฐานอันดับแรกพระวันดาแต่วับริสัจยาไว้ใจเรื่องสี แต่คิดว่าเราเป็นผู้ไม่บกต้องในศีลทางที่ดีก่อนจเริยกรรมฐานสมาทานสิมพที่ก่อนด้วยความเคารพเวลาสมาทานยาสมาทานฉักว่าสมาทานตั้งใจสมาทานด้วยความเคารพจริงๆถ้าบังเอิญศีลบกต้องไปบ้างเวลานั้นจะสมบูรณ์ศีลจะสมบูรณ์เพราะว่าศีลด้านดับแรกในการจเจริญสมาธิถ้าศีลบกต้องสมาธิไม่เกิด แ่อไปดับสองก็พยายามนะ ง, งับมีวรณห้าประการมีวรณ์ห้าประการนี้เป็นตัวร้ายกาศมากถ้าตัวใดตัวหนึ่งเข้าสิงใจเวลานั่นสมาธิจะไม่ท่งตัวแค่พูดจับภาษาทับ้านก็เรียกว่าจิตไม่เป็นสมาธิจริงม <c oughs> ีวรณห้าประการก็คือหนึ่งกามฉันทะความพอใจในเพศตรงกันข้าม น่าจเพราะเวลาเจริญกรรมฐานนั้นเลิกแล้วไม่เป็นไรก่อนเจริญก็ไม่เป็นไรไเป็นธรรมดาเพราะคนยังไม่ได้อนาคามีต้องมีอารมณ์นี้ไปจำใจแต่ถ้ว่าเวลาที่จะเจริญกรรมฐานต้องหยุดอารมณ์นิดหน่อยช่วงคราวคือหนึ่งไม่สนใจในเรื่องของเพศตรงกันข้ามข้อที่สองระงับความโกรธความเหยียบบาดจองร้างจองฐานช่วงคราวข้อที่สามระวังไม่ความวุ่นเกิดขึ้น ก็ที่สคุมอารมณ์เฉพาะอย่าให้ฟุ้งซ่านเกินไปเราจะภาวนาไว้ยังไงต้องภาวนาไว้อย่างนั้นตามที่ตั้งใจไว้และการรู้ลมหายใจก็ออกด้วยและก็5ไม่สงสัยผลของการปฏิบัติทั้ง5อย่างนี้ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งมีในจิตกบดานเต็มพุทธบริษัทมีวอนจะกั้นความดีเจะแสร้างการสมาธิจะไม่ส่งตัวไม่เกิดขึ้น แในเวลาที่ท่านต้องการจะตีนท่างเข้าถึงปีติทูปปัจจารสมาธิสิชัยก็ตามอันดับแรกจงอย่าสนใจนิมนต์ใครถามว่าถ้าจะตัดนิมนต์ยังไงจะหมดจะได้หมดกังวลก็ต้องขอตอบว่าเพะว่าท่านยังไม่เป็นนาคาเมีท่านก็ไม่มีโอกาสที่จะตัดนิมนตได้เลย ถ้านาคามีแต่ตัดมีวรนด้สองข้อเ น, นั้นนะข้อหนึ่งก็ข้อ2 อ, อีกสามข้อต้องพระอรหันต์ทั้นั้นการตัดมีวรเราก็ไม่ต้องสนใจสนใจแต่เพียงว่ายับยั้งใจไม่ไม่ไปยุ่งกับมีวันุกคราวเฉพาะเวลาเจรอกรรมาฐานวิธีที่ยับยั้งใจจะไหงก็ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้าตั้งใจรู้เวลานี้ให้ใจเข้า เวลาให้ใจออกรู้ลมใม้ใจออกถ้าจะให้เ็ดกว่านั่นเอาอย่างนี้ตามมหาสิสารสูตรให้ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรสั้นก็รู้ด้วยขณะใดทีด่จิตรู้ลมให้ใจเขารู้ลมให้ใจออกเวลานั้นถือว่าจิตมีบอลไม่เข้ามาควบคุมจิตได้ถ้ามีคำบารนาก็ใช้คำบรรณาควบคู่กับลมให้ใจ ขณนะใดที่รู้ลมวใจัยเข้าด้วยใจยออกก็รู้คามนาด้วยเวลานั้นจิตก็มีสมาธิแต่ก็การปฏิบัติกรมดาท่านพุทธบริษัทจะต้องไม่ลืมคำแนะนำของสมเด็จรตสา ม, มาพระพุธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเทศกันแรกกับปัญญากีรอสีตั้งห้าคือตัางโกนัญญาท่านวัปปะทพุะท่มหานามและอัจิ การแรกในธรรมจกววักรพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพิเกเวดูก่อนที่สุดสลายเธอทั้งหลายจะละส่วนสุดสองอย่างคือหนึ่งกรรมสุขานิการนิโยสองอัตตะกิริานิโ ย, ออาาาาโยถ้าส่วนสุดสองอย่างนี้ถ้ามีในรโรวงก็คือเมื่อไรพวกเธอทั้งหลายจะไม่มีโอกาสเป็นมรุ ม, มาตรผลมมต้องใช้การปฏิบัติเป็นมัคคิ ม, มาปฏิบัติธร ข้อนี้บรรดา ญ, ญาโยมพุทธบุตริษัทต้องจําและต้องปฏิบัติตามคําว่าอัตตะคือวิารนิยมสมัยความปฏิบัติเครียดเกินไปซึ่งเกินไปเร่งรัดเกินไปอย่างนี้ไม่มีผลถ้ า, าอารมเครดตั้งใจมากเกินไปอย่างนี้ไม่มีผลแต่การในสองการมัสุขานิการนิยมคือย่อหย่อนเกินไปคืออยากได้เวลาภาวนาอยู่ก็ดีที่เป็นนายก็าตามอยากจะเป็น อยากจะเป็นผูดทรงฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่อยากจะเป็นพน 1, 2, 3, 4, ะนระโสดาภธานาคา ร, าารันอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าอารมณ์อยากอย่างนี้มีอยู่อย่างนั้นยอดอย่างอุ่ติดโป่งไส้เกินไปไม่มีผลต้องใช้อารมณ์มัจจิมาปฏิปทาคือรู้ลมเข้ารู้ลมออกรู้คำวนาแบบบส่งสบา ย, บายถ้าเกิดอารมณ์เครียดถ้าเราไม่สามารถจะยับยั้งได้เราก็เลิกเสียอย่าฝืนทําต่อไป ทำไปอย่างนี้ไม่ชาไม่นานบรรดา ญ, ญาโยมพุทธบรตรสติก็เข้าถึงอุปจาระสมาธิถ้าเราจะสักเกิดกได้ง่ายถ้าอาการทั้งห้ายอย่างไม่ปรากฏ <c oughs> ก็ดูว่าขนาที่เจริญกรรมฐานมีความเบื่อไหมถ้าเราไม่เบื่อในการเจริญพระกรรมฐานอย่างใดหนิดก็ตามแต่เวลาที่ทำกรรมฐานจริงๆมีจิตใจทุ่มชืนไม่อยากจะเลิก มันมีความเพลิดเพลินเวลานั้นจิตใจของบรรดาธรรมพุทธบริษัทเข้าถึงอุปจารสมาธิแล้วกําลังจิตเพียงเท่านี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทตามวิสุทธิมัทเธอบอกว่าถ้าตายจากความเป็นคนจะเลือกเทวาดาชั้นไหนก็ได้กินอยู่เรื่องสวรรค์ชั้นไหนก็ได้นะเขาได้ไหมนี่ตาโอปันดาญาติโยมพุทธบริษัทมีกําลังใจทรงทุกข์ปีติ เกิหรือว่าท่านชนะดินแดงเขาสวรรค์เหิงกามาวาจรแล้วไหวไหมไหวไหมไหวไหมไหวเลถามว่าลอ้อเขาถามไหวหรือไม่ไหวถ้าไม่ไหวก็นั่งแบบนี้ไม่ได้ถ้ากําลังปีติไม่มีนะที่บรรดาญาโยบุบริษัท ต, ตั้งใจมาเชิญกรรมฐานด้วยความจริงใจเป็นไาจะว่าท่านที่มาใหม่อยากว่าดูนี่คนละเรื่องนะ ถ้าในตั้งใจได้มามาน้วยความเพียงใจนี้ปีติมันเป็นอยู่แล้วนะถ้าปีติไม่มีนะปีติก็แปลว่ความอิ่งใจถ้าไม่มีไม่มีในธรรมความอิ่งใจในธรรมไม่มีไม่สามารถดอะไรได้เพื่อความว่าทุกคนเยมีปีติอยู่แล้วที่ดินใดงเขกระมาปรจัสวรรค์ราชนะแล้วแล้วก็อย่าเผลอนะดินใดกาะมาจรมันมีร่องถ้าเผลอเหยียบไม้ปุกมันหล่นลงนรกไปเลย ยายคิดว่าเราดีแล้วเราส่งตัวดีแล้วจะนะแล้วไม่ได้ถ้าเป็นเรื่องของชาญโลกรีนี่ประมาทกม่ได้เลยเพราะวาจะมีอารมณ์เผลอวันนี้ก็อยากขอพูดถึงดินแดนของลมใช่ไหมนี่เราตีบุขกขบิ้นกลางมาไปจอนอะไรมลมอยู่แค่นั้นแยะแกะตียึดให้ได้วันนี้ถ้ายึดลมไม่ได้ยึดอรกมกันได้เฮ้ยยังไงมีหวังไหย คือว่าการปฏิบัติเพื่อถึงพรมพรมนี่ต้องถึงฌานถือว่าการมาวาจรสวรรค์นั้นไม่ถึงฌานแค่เฉียดฌานอุปจารสมาธิว่าเฉียดฌา <c oughs> ในใกล้ฌานแต่ถ้าถึงพรมต้องถึงฌานความจริงอุเจ้ารเดนดินแดนสวรรค์นี่เขาเท่าถึงฌานก็มีแต่ว่าถ้าเวลาตายไม่ได้เข้าฌานตายไม่มีสิไปถึงพรหม ต้องอยู่สวรรค์ขี้กามาวาจรก่อนถ้าอยู่ในสวรรค์ี้กามาวาจรจนหมดเขตอายุที่ต้องพึงอยู่เมื่อหมดเขตแล้วจุดติดจากสวรรค์ขกามาวาจรก็ไปต่อที่ขมนะเพราะว่าถึงสวรรค์กำ ล, ลังชัยก็เข้าทรงตัวตามโหมดติเป็นไปไม่ได้ทีต่อไปแล้วว่าถึงผมตรงทรงก็ปฏิบัติแบบเดียวกับกามา ว, าวาจรสวรรค์ อันดับแรกปัญญาเต็มพระเจ้าบริษัทก่อนที่จะภาวนาเพราะกรรมฐานต้องใช้ดั้งศีลสมาธิปัญญาความจริงให้ใช้ปัญญาก่อนถ้าไม่ใช้ปัญญาก่อนไม่เข้าถึงความจริงก็ามาถ่ายกันแน่การใช้ปัญญาและพิจารณาตามนี้เที่ยวคิดตามความเป็นจริงว่ากายเกิดมันเป็นทุกข์เราเกิดเป็นคนในความจริงไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียว พอลืมตายก็มากล็ลำคาญหน้าไม่ร่างหน้ากล็ลำคาญไม่แปลงไปกล็ลำคาญไอเด่นี้ปวดทุกข์เรื่ความหิวเกิดขึ้นก็ทุกข์การปวดอุจาระปัสสาวะก็ทุกข์การประกอบกิจการงานเหนื่อยยากก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความดุจนาไม่ไอ้จสมหวังก็ทุกข์การพักไรจะของรักของชอบใจก็ทุก ข, ขก์ความตายก็มาถึงก็ทุกข์เรื่องการเกิดเป็นคนที่จะเกิดชาติไหนมันไม่มีทุกข์สบายไม่มี ในเมื่อมันทุกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกดินแดนที่พ้นจากความทุกข์จริงๆก็คือมันผ่านที่สั้นๆนี่ว่าเราปฏิบัติอย่างนี้เราจะค่อยๆก้าวเข้าไปสู่พุมนิพานจะไม่ยอมถอยหลังถึงแ ม, ม้ว่าจะไปชาติจะก็ไม่ยอมพลัด ก, กลับมาหลังจากนั้นก็ตั้งใจภาวนาแล้วรู้ลมหายใจเขาออกเพราการที่อันนี้ที่ผ่านได้ก็คือหนึ่งสมาธิ ทำจิตให้ปราศจากนิวรณซึ่งเป็นศัตรูถ้าจิตเราจะได้พบนิวรณ์ได้โชกลาวว่าต้องใช่ลมให้ใจเข้าออกช่วยที่เรียกว่านาปานปติตกรรมฐานให้ใจเข้ารู้อยู่ใจเขา้าใจออกรู้หอยู่ใจออกแล้วคำภานาควเกิดไปถ้าทําใจอย่างนี้ถ้าจิตเข้าถึงฌานที่หนึ่งก็ถือว่าเราเข้าขีดลมแล้ว อาการของฌานหนึ่งวันนี้ต้องขอพูดตามหลักวิชาหน่อยญายติโยมผู้บริษัทธ์ความเพียงหลักวิชามันรำคาญนะถ้าไม่พูดก็ไม่ได้คือตามหลักวิชาต้องมีความเข้าใจว่าฌานที่หนึ่งนะมีอาการยังไงบ้างไม่ใช่เราจะเดากันว่าอีกฌานที่หนึ่ ง, งที่สองทามที่ส ก, ก็มีกฎที่เข้าบังคับฌานที่หนึ่งมีอารมณ์ห้าคือวิตกวิจารณ์ ปีติสุขเอกคตามีตกคือารมณ์นึกมีใจะืออารมณ์ไข้่วรคือใจตรองปีติคือความอิ่มใจสุขคือความสุขยอดเยี่ยมเอกขตามีอารมณ์เป็นหนึ่งเราจะสังเกยได้คาว่ามีตกกับไา้ความว่าเรานึกว่าเราจะภาวนานึกว่าจะรู้ลให้ใจเขาออกอันนี้ป็นมีตก พอถึงคำว่าวิจารณ์ไม่จำหมายความเวลานี้เรารู้เราภาวนาอยู่เราภาวนาปิดจะถูกหายใจเข้าและใจใหายใจออกเรารู้อยู่หายใจเข้ายาวและสั้นหานใจออกยาวและสั้นเราทราบอยู่เร่องนี้เป็นวิจารณ์ต้องควบคู่ไปเป็นันดับเปื้องตนต่อไปถ้าจิตเรียบเมรุส ง, ง, งบปีติคือความอิ่งใจก็เกิด ในเมื่อปีีิเกิดจะมีอารมณ์แปรคือมีความทุ่มขื่นมีจิตมีมีจิ ต, จตเยือกเย็นไม่อยากเลิกต่อจากนั้นไปก็ยังมีความสุขเป็งค้างสุขที่เราไม่เคยพบมาเลยท้านจ่เกิดสุขมากโยอเยีนยมจริงจริหลังจากนั้นก็ยังมีเอกต า, ารมคำว่ า, าเอกาตารมคืออารมณ์เป็นหนึ่งนั่นหมายความเราตั้งใจยภาวนาว่าอย่างไร่ะสรงอารมณ์นั้นอยู่ ถ้าตั้งใจจับภาพกระสิงแบบใดเป็หนึ่งอารมณ์มันจะทรงตัวอยู่ไม่เคลื่อนไปไหนแต่การอย่างนี้ถ้าได้ใหม่ๆจะไม่นานนะไม่ชาจิตก็เคลื่อนโลกถึงแม้ว่าจะทรงตัวแบบนี้ได้ ส, ตสตดตัตตตีสัตตตีก็ธรรมดาแต่พุทธบริษักควรจะดีใจว่าเราเข้าถึงชาที่หนึ่งเริ่มเข้าวิงชาที่หนึ่งอันนี้แปลการของชาที่หนึ่งเนะี่ยชาที่หนึ่งยังมีคำภาวณารู่ลมหายใจก็ออก แล้วต่อมาชานที่สองชานที่สองนีมีองค์สามคือตัดวิตุวิจารณ์ทิ้งไปแล่อปีติสุขเอกราตตาคำว่าตัดที่เราไม่ได้ตัดเอนมรนดา ญ, ญาโยมนะอารมณ์ตัดคำว่าอารมณ์ตัดตุหมายว่าทีแรกเราเริ่มต้นขอโทษสักทีพูดลาดไม่ไม่พลาดขาดไปนิดหนึ่ง ตัดนี้ตอกวิจัยก็หมายความตัดการนึกถึงการภาวนาเรื่องลมที่ลมหายใจเขาออกเรื่นนองการคลายความภาวนาลมหายใจก็ออกถูกต้องไหมอันดับแรกต้องทําตามเดิมพอจิตละเอียดเข้าถึงฌานที่สองที่เทวทุดิยฌานในตอนนี้จะรู้คำภาวนาจะหายไป แล้วกว่าคำภาวนาเนี่ยหายไปวิตกก็ไม่มีวิจัยมมีมไหมว่ากายนึกว่าจะภาวนาก็มันมีรู้ภาวนาก็ไม่มีาา ก, มมกายภาวนาทั้งสองอย่างทั้งรู้ทั้งภาวนาหายไปเลยจิตสงบเฉยแต่ว่าเรามีความชุ่มชื่นมากมีความอึอิน่นมีความสุขเ ป, ปน็นสุดจิตทรงตัวดีมากแต่กายเขาชาันที่สองเขามาถึงบรรดาในพุทธบริษัทในตอนต้นยังไม่เข้าใจ พอจิตตกประมาทุ้งปัญาระสมาธิอาจจะรู้สึกว่านี่เราเสื่อไปแลหลับไปให้สังเกตได้ว่าถ้ามีความชุ่มทื่นเ อ, อ่ออิ่มปกติแล้วก็ไม่มีคำบรรณาอย่างนี้ เ, เมือเวลานี่เป็นอาการนงชาที่สองแล้วก็สำหรับฌานที่สามฌานิสันตัดปีติทิ้งไปเรือแต่สุขเอกับตา ในหมายความวิิตรข้าถึงแทนที่สามคำอื่นทุ่มเชื่อมันหายไปฤกษ์เป็นฤกษ์ที่สุกอย่างเดียวสุกจริงๆสุขมากเอจะตายก็เมียลมเป็นอันหนึ่งแนบแน่นสมาธิส่งตัวมากอาการทาวแรกกายเรานั่งธรมนนธรมดาแล้วนอนธรรมดาแต่จะรู้สึกเครียดมันก็ตึงเป็งแล้วใครก็จับมาติดเสาจะมีการแบบนั้นแล้วก็เสียงภายนอกไอ้ธาตที่หนึ่งที่สองนี่เสียงภายนอกชัด มาถึงชาลีสานเสียงภายนอกมันดังมากกว่าตาตะเราได้ยินจะยินไม่มากนะักยังได้ยินอยู่ได้ยินไม่มากคิดทรงตัวแน่นเป็นมากอันนี้แปลงกายของชาลีสานต่อไปก็สําหรับลมหายใจเขาออกเราลืมบอกไปนะลมหายใจเขาออกในชาลีสานลมหายใจเขาออกนี่เบามากแต่ก็ยังรู้สึกว่าหายใจเข้าใจออกแต่เบาจาัด าชานที่สองก็เบาวไปหน่อยชานที่หนึ่งยังหยาบอยู่ต่อไปก็แปลกายว่าชานนทสีชานนี่สีนส่นี่ตัดสุขทิ้งไปเมื่อตัวเอกกตายคือมีอารมณ์เป็นหนึ่งกับอุเบกขาวางเฉยชานที่สี่นี้จะสังเกตได้ง่ายๆเพราะ ถ, ถ้าจิตใจเขาบุคคลใดเวลาใดเข้าถึงชานที่สีเวลานั้นจิตจะไม่รู้สึกทังงลมใหใจเขาออก ลมเข้าลมออ ก, มกสมองฟังเสียงร่างกายมาให้ใจจะจะไม่รู้สึกว่าให้ใจมีลมเป็นหนึ่งจังเลยปร่งมากสว่างมากแต่ว่าจิตวางเฉยถ้าชานที่สี่อย่างหยาบเสียงภายนอกอย่างเสียงขระยายเสีย ง, งดังมากๆจะได้ตั้งไกงลๆมีเสียงแว่วๆน้อยๆอย่างหยาบถ้าเป็นชาละเอียดเสีงยงกระยาเสียงดังจะจัดวางข้างหูก็มาดี คือว่าประสาทกับจิตแยกกันเด็ดขาดจิตไม่รับทราบเรื่องของประสาทร่างกายจะหนาจะร้อนจะเย็นก็ตามจะเจ็บจะปวดไงก็ตามจิตไม่ยอมรับทราบคือจิตประสาทแยกกันเลยดะงนั้นการที่เขาจะไปนรลกสวรรค์กันไปที่ไหนต่กกนางๆจะต้องเอาจิตเขาทังชานสีเพราะจิตกับประสาทแยกกันเด็ขาดถ้าไม่แยกกันก็ไปไม่ได้วันนี้ก็พูดเรื่อรรมราไปอาจจะยาวไปหน่อยแต่ก็จําเป็น กล่าวความว่าวันนี้ขอแนะนําบรรดาญาโยมพุทธบริษัทในเรื่องของาชาันว่าท่านบุคคลผูนใน้ใดทับปฏิบัติข้นชานตอนนั้นสันนิษฐายจะมีโอกาสเหยียบย่ําเข้าเขตของผมได้ในการทําชานให้ส่งตัวท่านยังไงก็ขอใช้วิธีง่ายๆถ้าว่าตาตาราเกินไปมันก็ยากถ้าญาโยมพุทธบริษัทอยู่บ้านขณะที่จเจริยนเอาฐานให้ขออยู่ต่อหน้าของตรูป อย่เป็นพระเสียอะไรก็ตามเป็นแก้วเป็นทองเป็นปูนที่มนก็ตามไม่สําคัญสําคัญว่าภาพนั้นเป็นภาพเราพุทรูปเพราะว่าเราใช้พุทธรูปเป็นนิมิตจะได้โอกาสสองอย่างได้กรรมฐานสองอย่างหนึ่งพุทธานุติกรรมฐานด้วยและ้ะก็สองกสิณด้วยพุทธานุติกรรมฐานก็อนุภาพมากอนิสงฆ์มากกสิณก็อนุภาพมากอนิสงฆ์มาก อันดับแรกก็บรรดาเต็พุทธบริษัทลืมตาดูภาพพระพุทธรูปก่อนจำภาพประดีว่าพุทธรูปองค์นี้มีภาพเล่มรูปร่างลักษนะาเป็นยังไงสีอะไรจำไว้สักประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับตาหลับตาจิตนึกถึงภาพพระพุทธรูปท่านจะภาวนาก็ได้ไม่ภาวนาก็ได้ก็ตามใจไม่ได้ว่าอะไรให้ได้ถังสองอย่าง ถ้าจะภาวนาว่าพุโทโธสัมมาหรังหรืออะไรก็ได้ถ้าจะไม่ภาวนาเลยรู้แค่ลมหายใจเขาออกแล้จิตจับภาพพุธรูปอย่างนี้ก็ได้ข้อซึ้งใจก็มีว่าจิตต้องนึกถึงภาพรูปให้ชัดเกนจนแจ่มใสาตามที่เห็นมาต่อไปไม่ช้าภาพจะเลือนจากใจเมื่อภาพเลือนจากใจก็ลืมตาดูใหม่จำภาพไว้จำได้หลับตาอีกหลับตานึกถึงภาพ วันแรกๆไตโรตาทําไปทำไปที่ จ, จิตเริ่มเครียดเฟร้ก็เลิกใช่อย่างนี้ไม่ชาภาพจะติดตายถ้าภาพจะจิ ต, จตใจต่อไปถึงแม้ว่าไม่นั่งนั่งหน้หน า, หน า, หนาพรพุทรูปเราเดินอยู่ที่ไหนทํางานที่ไหนก็ตามเนืถึงจากภาพพระพุทธรูปนั้นนึกได้ทันทีว่าภาพตป็นอย่างนั้นจิตสองตัวภาพทรงจิตตอนนี้เมื่อจาภาพได้ขนาดที่จําภาพพรตพุรูปแต่ภาพที่จะจําทั้งมันนั้นไม่ได้แน่นอนนะ เอาจฉพเวลาที่เราต้องการเมื่อเราต้องการนึกถึงภาพพุทธรูปองค์นั้นให้นึกเห็นได้ทันทีทันใดและก็ส่งตัวสักสองสามนาทีก็ดีแล้วตอนนี้ก็มาจะสังเกตว่ารวมถึงฌานตอนไหนกันอนี้สังเกตง่ายๆวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆมีขณะที่ท่านนั่งหน้าพระพุทธรูปเริ่มตาดูภาพพระหลับตานึกถึงภาพพระภาวนาด้วยรู้หลวงใจเขาออกด้วย หรือว่าไม่ภาวนาก็ตามแต่รู้ไม่ใจก็ออกต้องรู้ตอนนี้ถ้ากําลังนึกอยู่เห็นภาพอยู่จิตนึกถึงภาพอยู่เสียงภายนอกเขาปุยตัวดีทะเลาะก็ตามเสียงพิยุ ก, ก็ตามเสียงอะไรก็ตามเสียงก็ดังกล้อง f l a s มาในหูหูรับเสียงได้ทุกอย่างแต่ว่าไม่รําคาญในเสียงไปยินเสียงก็จริงแหละแต่ว่าไม่รําคาญในเสียงในเวลานั้น ขณะใดที่ต้นไหลไม่ําคาญในเสียงเวลานั้นจิตก็ตั อ, อยู่ในชาญนิหนึ่งอันนี้เป็นที่สังเกตนะจำได้อาจารย์รมทําได้ไหมฮะการจริงการเข้าชาญนี่ไม่ยากถ้าอะไรตั้งการเข้าชาญจริงๆนะก็กินยานอนหลับจะ <c oughs> หลับตีเนี่ยอารมกลการวันนี้หนักในหลังวิชาหน่อยอาจจะหนักใจไปนิดขอให้จับอตอนท้ายเนะย ว่าท่านหลายต้องการรู้อารมณ์ฌานฌานที่หนึ่งจะสังเกตได้ว่าเราจะภาวนาที่ว่าอย่างไรก็ตามทํากรรมฐากองไหนก็ตามหูได้ยินเสียงแต่ไม่ดำคาญในเสียงนี่เป็นฌานที่หนึ่งสมัครฌานที่สองเวลานั้นจิตใจชุ่มชื่นแต่ว่าไม่มีคำภาวนาเอาแค่สองฌานกับพอไหมนี่ฌานที่สี่เลย ชาญวิศิษจะมีความรู้สึกว่าไม่หายใจแต่ความจริงร่างกายหายใจไม่จะหยุดแต่เวลาท่านประสัยกติดมันแย่งกันเลยขาดหรือไม่รู้สึกว่าหายใจได้เป็นชาญวิศิษฐ์ครูของคราววันนี้แนะนำบรรดา ญ, ญาติโยมพริษัทเพื่อประดับของผมแต่ไปไม่เป็นไรครูไความจริงการปฏิบัติกรรมฐ า, านเราหวังจริงๆกับนิพพาน แต่ว่าทุกคนจะต้องคิดก่อนว่ากําลังเราจะพอหนีพันไหมต้องสือไว้ก่อนเพราะว่าเราไปที่พานไม่ได้แล้วก็พักแดนกรมถ้ากําลังพักแดนก็ไม่ไหวล้วก็พักแดนสวรรค์ต้องพักให้ได้ในสองแดนไม่แดนใดก็มนหนึง่งดันั้นขบันดาจะบุตรหลักจงอย่าประมาทในการปฏิบัติได้ความดีอจคิดว่าเราจะเริญกรรมฐานแล้วเราทําบาปไม่บาปไม่ได้นะใช่ไหม แต่วเวล า, าที่สองบาทเราทาน้อยไม่สามารถจะดึงนัวไปจะผุ่มได้อย่าไปคิดอย่างนั้นตั้งใจระแวงบาปไว้แล้วก็ตั้งใจไวทุกวันแต่เรต้องมีวันเวลาโดยเฉพาะอย่างเงี้ยจะมาคิดว่าก่อนที่ท่านจะหลับนึกถึงภาพกะสักสองสามนาทีหลับตานอนแล้วแล้วก็ภาวนาเลื่อมภาพระถ้าภาวนาเลื่อภาพละจนหลับไปได้พอดี ถ้านม่เพิงภาพพระและภาวนาด้วยถึิงหลับไปหลับกี่ชั่วโมงเขาืว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาได้กําไรมากเนี่ยเมื่อถ้าตื่นใหม่ๆรูใ้ใจยังเป็นสุขสบายหายใจเปลีย่ยตอนนี้ก็จับคำภาวนาเพิ่งภาพละอย่างนี้บรรดาธรรมุศุสั์จะษษไม่พลาดจากฌานนั้สมาธิใครจะถามว่าตอนกลางวันจิตมันพลาดจะสมาธิกขาบอกกาไม่เป็นไร ต่อไปถ้าอารมณ์จินพิจิตรประสงค์ในฌานจิตมีความช่ำชองในฌานตอนนี้ดั่บรรดาญาโยพุทธบริษัทขณะทํางานอยู่พอดีขนาดเดินอยู่ก็ตามนั่งคุยก็ตามท่านึกขึ้นมาอะไรภาพนั้นปรากฏทันทีแล้วก็ต่อไปถ้าจํานานจริงทั้งทั้งที่คุยอยู่กับเพื่อนสนุกนานยจิตทรงฌานได้ไม่กล้วงเลยกล้กล่ามว่าวันนี้เขาแนะนำ บ, บรรดาญาโยพุทธใบสัตย์ ยานในกว่าชานโลกีเป็นของต่ำถ้าชาโลกีไม่มีหรือวิวัฒนายาไม่มีกำลังสายกิเลสที่เป็นสมุจิตรอาหารตอนนี้ไปขอบรรดาญาโยมุทธบริษัททุทานตั้งใจสมารธรใกรรมฐานอันนี้ขอจะไปไม่ไหว